เบ็สภาพแล้วาเบอร์กับ่าทําวัดปามือกับ่ม า, าเมมายียวย่ยาเจ้าของเยียวย่าตัวเองถูกเก็บถูกกดมาอย่างสมบักสมบอมณ์าเช้าก็ช่วยตัวเองฝึกกายฝึกโยคะ หายใจเข้าหายใจออกเดินจงกลมเพิม่มความรู้สึกฝึกตนสอนตอนการฝึกตนสอนตอนอาศัยคนอื่นบ้างอาศัยตัวเราเองบ้างก็เดินก็ช่วยช่วยนําช่วยพา สวนมนต์ทำวัดเลือกะบวต่างๆที่มันพอที่จะเป็นคติได้ให้เราได้คุ้นเคยกับทำนองการสวดการสาธยายบางทีเราไม่ต้องเรียนสาธยายเวลาทำวัดเนี่ยมันก็จํจำได้มันติดปากมันติดใจด้วย ติดกายด้วยการปฏิบัติธรรมนี้มันก็ติดกายติดใจด้วยมีสติสัมปชัญญะเยอช่วยกันหลายแง่หลายมุมบทสวดบางบทก็เอาเปลี่ยนไปบ้างเท่าแต่แบบเดียวมันก็จำได้น้อย กานแต่งขันทั้งสือเรื่อนี้มีบทสวดที่เป็นอนุสติได้ร้ายบทเช่นทรรมาปะหังเราวันพระก็สวดอ่าสินแปดบ้างให้โยมผู้มาถือศีลได้คุณนเคยกับพ่อรัตนต่างๆด่างให้คนใ้เคย อีกนนหนึ่งถ้าถือหนังสืออยู่มันก็ถือหนังสือตลอดไปถ้าเราทิ้งมันจะหัดว่าไปเฮิมไปลำดับไปหลงไปบ้างไม่เป็นไรหัดว่าไปหัดว่าไปเอาไปมาก็ว่าติดเองเหมือนกับเราจเจริญจติตนี่แหละหลงไปบ้างไม่เป็นไรรู้ใหม่แล้วก็เอาไปมาก็รู้รู้นี่มันจะ เป็นไปงคงรูคงหลงมันไม่เป็นไปหรอกถ้าเราสร้างตัวรูอยู่มันย่อมชนะอขนะทำไม่ได้อะธรรมย่อมแพ้อะธรรมใชมอ่ะอะธรรมย่อมแพ้ธรรมะเสมอการฝึกตนสองตนเนี่ยมันทําได้นะโดยเฉพาะวิธีฝึกของเราเนี่ยก็เยี่ยมยอดแล้ว ที่พระโตองทร ง, สงแสดงไว้ที่ไวท้ท่ายไว้มากแล้วก็ได้เจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันที่เก็ดวันหนึ่งเดือนที่เก็ดเดือนหนึ่งปีที่เจ็ดปีจะเกิดอใ น, นสองสองประการ หนึ่งเป็นพระอนาคามีสองเป็นพระรหันต์ในพวกนี้ในชาตินี้เป็นไปได้เราจะไม่เสี่ยงอะไรขอให้มั่นใจพลวงพ่อก็มั่นใจมากเพราะการทำแบบนี้นะมันเหมือนกับเรามีกุญแจ ถูกดอกถูกลูกถูกแม่มันแล้วก็ออกได้เพราะมันถูกกันความลูกกับความหลงความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันคู่กันตลอดทั้งการเกิดเจ็บตายมันคู่กันอยู่มีทางหลุดพ้นได้อยู่มีทาง เ, เปิดเผยได้อยู่ <c oughs> ในโลกนี้มันมี ของคู่กันของที่เป็นสากลอยู่เชื่อมทวงรู้สึกตัวเป็นสากลไม่เลือกเชิญวัณ น, นเพศวัยรัตินิการชาติภาษาอะไรเป็นของสากลเป็นของที่ทุกคนมีสิทธิที่รู้สึกตัวได้นะ ฝึก็ไว้ถ้าไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้เลยกายก็ใช่ไม่ได้ใจก็ใช่ไม่ได้เอาไปลองรับความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้ได้เป็นอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้มันรีรีขวงขวงการขวงแบบนั้นเรียกว่าเดรฉานไปขวงทางมรรคผลในผานไปพอใจไปไม่พอใจ ไปลักไปชั่งเป็นดีรักฉานอะอะเป็นเลชานคถาหวงทางนำ ค, ความดีของตนเองเอาไว้เดี๋ยวก็พยายามถ้ามันขวางก็ไปอย่าประโยชน์จ ะ, ะยอมมันให้มันหลงเนี่ยมันก็ไม่หลงก็ได้มันทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ก็ได้เปิดไปให้ได้ มันพอใจหรือมันไม่พอใจก็เปิดไปได้ไม่เป็นอะไรอย่าให้มีอะไรขวางกันถ้าเรามาีสติก็คือพ่อหมายแล้วผมรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อไปกรุงเทพคราวนี้ก็อาจารย์ทุ่มพาไปพูดคี อ, อะไรไม่รู้หรอก <c oughs> แอร์ออกอากาศถ่ายทอดทีวี อ่ า, อาบอกว่าอะไร <c oughs> อ่าเงินค่างานเจริญสติีมีอย่างไงแล้วก็พูดได้ไม่กลัวอะไรเราพูดในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเราไปสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่เห็นเราไปจำมาไม่ก็เก้อเก้ขนเกิน อันนี้จะทำมากับมือเราเห็นกับตาเราพูดดันที่มันถูกต้องเราไปกลัวอะไรแล้วพวกได้สบายสบยเป่นหนุกด้วยแล้วก็ช่วยกันเถอะพวกเรา ชีวิตของเรานี่ก็มาช่วยกันให้ผลส่งให้พ้นจากปัญหาต่างๆที่เกิดกิดปเกับใจให้มันหมดซะปัญหาต่างๆอย่ารอให้หมดไปเฉยๆตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเท่ า, จ น, ทาจนตายไปเอาความหนุ่มความสาวไปทำมาเกินแทนที่อามาสร้างตัวนี่ ร้างตัวลูกให้เป็นที่พึ่งของเราถ้าเรารู้ตั้งแต่หนุ่มๆ ม, มันก็มีมันก็ได้เปรียบมันแก่มันจะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระภาพได้ยาวนานถ้าแก่แล้วจึงรูก้ก็ดีไม่พบไม่งามเมื่อยามขวนญวินเข้าป่าเมื่อค่ำ เข้าถ้ำข้ากลางคืนพ่อเสือคืนกลางคาบนั้นอาจารย์เถระจันวัตโมงศรอาจารย์จันทนอดักใส่วากางหน้าถูกนกแซวดักแข่าตั้งตนใหม่ด้ป่าขาวอาจารย์จันทนอ อะไรหลายแ ล, ยลย้วอย่างใครเคยไปวั ด, ดอุโมงไปเห็นอาจารย์มหาจาันเทาาระจันเขียนไว้ในถ้ำอุโมงเวลาใดที่ท่านคิดจะไปตบปะมากเกินไปไม่เป็นสำน้าวิสัยท่านก็ไม่ออกบินบาตไม่ออกจา ก, กอุโมงเลยขังตัวในอุโมงเมื่อใดเทมันเรียบร้อนยิ่งค่อยไปบินบาต เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เราลูกจากเราเองเป็นคนเน่าในเปียดแขะเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยปกปิดซ่อนเล่นตัวเองไม่ใช่สำนักก็อ้างตนว่าเป็นสำนะไม่ใช่ผู้ประพฤติผ่องไม่จันก็้างตนว่าเป็นผู้ประพฤติผงมจันจินข้าวชาวบ้านเหมือนจินมก้อนหล็กแดงก็ตีลูกเืนไฟ จี้วอนลุกเป็นไฟอยู่ไม่ได้กรรมทําบับเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทําบาปเองย่อมหมดจดเองบ้านเราต้องสอนตัวเราฝึกตัวฝึกตนสอนตนให้คนอื่นฝึกจะเป็นส่วนน้อยแต่เราในฝึกได้ทุกเวลานาทีเหมือนเขาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รับล่างแล้วมนูนหรือไม่รับจะรับหรือไม่รับหลวงพ่อก็ไม่ตอบแบบนั้นหลวงพ่อก็อนั้นต์หลวงพ่อไม่ตอบหลวงพ่อตอบสิ่งที่หลวงพ่อทําได้สิ่งที่ทําได้คือมันโกรธไม่โกรธเนี่ยรับได้รับความไม่โกรธไม่รับความโกรธความทุกข์ไม่รับความทุกข์รับความไม่ทุกข์ มันหลงไม่รับความหลงรับความรู้จึกตัวอันนี้ทำได้โดยตนเงิงบอกได้บอกคนนึ่งก็ได้อันนั่นมาก็ได้ถ้าเป็นะระเบียบเรียบร้อยของประเทศชาติก็ดีแล้วก็อยู่สงบร่มเย็นสะดวกแต่ความทุกข์เนี่ยสิ่งเรานั่นช่วยเราไม่ได้ความหลงสิ่งเรานั่นช่วยเราไม่ได้ความโกรธสิ่งเรานั่นช่วยเราไม่ได้ เราต้องช่วยตัวเองสอนตัวเองอันนี้เราทำได้ทันทีไม่ต้องไปเกณฑ์ใครเราทำได้ทุกนาทีทุกวินาทียาวขีดไปผิดไปถูกไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งต่างๆเอามาแขวนไว้ในตัวเราเนะ่ะเฉพาะหน้าเราในมือเราในการในใจเรา อ๋อทำสิ่งที่มันถูกต้องอ๋อคิดสิ่งที่มันถูกต้องอ๋อพูดในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเรามาเป็นเพื่อนกันตรงนี้กันช่วยกันช่วยกันนอกจากผู้ทําอาหารนอกจากผู้ให้อาหารนอกจากผู้รับอาหารผู้ปฏิบัติธรรมสมควรช่วยกัน ชวยกันกินข้าวในบาทผู้ให้ข้าวเขาก็มีในสงผมพ่อยิวันเขาผู้ให้จีวันเขาก็มีในสงอยู่กติผู้ให้กติเขามีผู้รับกติอยู่กติก็เป็นคนไม่ทุ่มนทถุสร่างกติให้ก็มีในสงอันเป็นไปอย่างนี้แต่ <c oughs> เรา ไม่มีจิตแล้วนี่ก็ไม่มีอนิสงส์เลยอนสงส์คุ้ยก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยต้องรับอนิสงส์ก่อนเขาหนึ่งมีคนมาถวายของหลวงพออ่อเออหลวงพ่อก็อยู่แค่องเดียวเนาะไม่มีสงสีรูปผ้ารูปการที่รับทายาทานกับเจ้าจโยมเนี่ย ถ้าทำทัวให้เป็นสงไม่ต้องเฉพาะเจาะจงเจ้าโยมก็อยากเฉพาะเจาะจงผู้ดใดผู้หนึง่งผู้รับก็ไม่เอามาเป็นของโฉนตัวเอามาแบ่งมาปันมาให้เป็นของสงส่วนรวมดังนี้รียกว่าไม่เป็นบาปเราก็เราก็สบายถ้าเราอะไรก็อยากได้อยากเอาอยากเอา ก็เป็นว่าเป็นเปรตเป็นตัวทันทีโบราณท่านว่าสมพานตกนรกทายกเป็นเปรอขีทั้งอยู่นะอ่าสมพานตกนรกทายกเป็นเปดตหิ้งก็มีมเหมือนพระเป็นเปรตตกนรกด้วยถ้าเรา ทำไม่อยู่โดยชอบไม่คิดชอบไม่คิดชอบแล้วก็พิษกระทบกระเทือนเราในละก่อนคนเื่นเหมือนหลวงพ่อพูดวันก่อนอเจ้าวัดวัดช่องสมองวัดอะไรก็ไม่รู้รับกระถินรับกระถินแล้วทะเลาะกันแต่ว่าผลผลผมเป็นผู้รับอะเอามาให้ผมสิขันอ่ะก็ติกา กระพิบน้ำมันน่ะผมเป็นผู้รับกระถินตังมาให้ผมเอาถ้าเขาให้ท่านเขาต้องขึ้นกะติของท่านแอบขึ้นมากะติผมผมก็ต้องเอาเสียเงนินไ ป, อนนไปโอ้ยอสงสารคนที่ให้ของเถียงกันขันไปเดีย ว, วกระติกกระพริบน้ำมันก็ะพิบนต่น้อยไม่กี่บาท คิวอยากได้แล้วก็เอาจริงๆเถียงกันไปเถียงกันมาเอาไปเจ๊ด่าออมาถามหาบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรพงเห็นโยมถือขึ้นมาเนี่ยเอามาเถีย ง, งเอามาต้องอยู่แบบนั้นนะไม่ชี้คเถียงกันก็นไม่ชี้อ่าอย่าไปทะเลาะกันอ่าเราจึงทํา เป็นสงเป็นสังฆปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ต, ติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเสมอต้นเส ม, อ, สมอปลายในเลือดจิตรักมักตติชังวางจิตใจกัางกลางแม้แต่สอนเราก็อย่าไปพอใจแต่ไปไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำํำมีแต่แก่ การพลอยใจการไม่พลอยใจมันเสียเวลามันเนิ่นช้าถ้ามันหลงก็รู้ทันทีอย่าไปพอจะไปไม่พอใจความหลงพอใจความรู้ถ้ามันสงบก็ดีใจถ้าไม่สงบก็เสียใจอย่าไปดีใจเสียใจครับสิ่งสงบริงไม่สงบเรารู้สึกตัวอย่างเดียวรัดเข้ามารัดเข้ามาทางรัดรัดแต่เนี่ยตรงที่สุดเลยไม่เสียเวลาไม่เนิ่นช้า ถ้ายังไปพอใจยังไม่พอใจอยู่มันก็อยู่ตรงนั่นแหละไปไหนไม่ได้เหมือนจราจรติดขัดไปไม่ได้มันติดอยู่ตรงนั้นถ้ามาถึงตัวลู่ทันทีเหมือนด่วนเลยนะรถด่วนทางฟีเวทางด่วนทางไฮเว่ทางฟีเวจะสะดวกในการปฏิบัติยิ่ง มีปัญหามากกระยิ่งจำนิ้จำนานเหมือนคนขับรถในชุมชนต้องคอยิ่งร้วังระวังที่แยกข้าแยกไฟแดงไฟเขียวไม่เหมือนขับรถทางเปี่ยวยขับรถทางเปียวย์ประมาทปีนี้หลวงพ่อฟังช่วงตุลสงการอุบัติเหตุเกิดที่ทางเปี่ยวยว์ ทางดีๆทางตรงๆมันขับไปขับไปก็หลับไหนบ้างเพลินด้บ้างก็ชนได้ถ้าทาง จ, าจราจรหนาแน่นระมัดระวังอชีวิตเราก็มากันนะ่ะติดความสะดวกสบายปล่อยเนื้อปล่อยตัวคนอื่นก็เพื่อให้สะดวกสบายปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับความสะดวกสบายกับคนช่วยเหลือ อ่านั่นก็มีมเหมือนเมัยหนึ่งงานมาแล้วหลวงพ่อไปอาศัยวัดหนึ่งในกรุงเทพอยู่เชีคืนสองคืนมีจำเนนไปอยู่ที่นั่นจะอยู่วัดพุทธยานเขาไปอยู่ที่นั่นก็เลยไปขอพักกับเขาถ้ามีพระมาพูดบอกโอ้ผมไป เยี่ยมบ้านกลับมาดำหมดเลยอยู่นี่ขาวพอไปอยู่บ้านเสียวันผิวดำหมดเลยไปไปอีกแล้วมาไปอีกแล้วบ้านนะ่ะติดอะไรนะ่ะติดความสะดวกสบายติดความอยู่ดีมีสุขเกลียดความไม่เกลียดความเป็นทุกข์มันไม่ได้ชีวิตของเรามันไม่มีใคร ปูผมก็ให้เราเดินอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าน้าน่ะอาศโดสบายอ่ อ, อนดแด่เราก็ผูกขัดบาเข้มแข็งเหนวบ้างทุกบ้างเดือดร้อนบ้างชินชาต่อความทุกข์ทนทานทนทานเหมือนกับผิวหนังเรามันก็ปรับอย่างอ่างอย่าง รัฐเวกัตประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นทะเลทรายร้อนที่สุดรัฐเวกัสเนี่ยเป็นทะเลทรายร้อนมากแล้วก็มีกรรมกรที่ทำงานรับจ้างที่นั่นกรรมกรเนี่คนไหนที่ตากแดดทำงานได้หลายหลายชั่วโมง เขาจะเขารบถือแล้วก็ผิวหนังของเขาเนี่ยมันจะปรับตัวกับแสงแดดมันจะนิ่มไม่รอ้อนไม่ไหมมันนิ่มไปเลยเหมือนกับความหนาวคนที่เกิดในเมืองหนาวเนี่ยผิวเขาจะนิ่มในเมืองรอ้อนผิวเขาจะนิ่มในแสงเหมือนผิวคนไทยเราจำเป็นลังนะผิวเนนิ่มนะอ่าง แล้วพ่อเคยจับพระชานดูพระฌานฌานเป็นฝรั่งก็เตี่ยเวลาหนาวเขาก็สบายอยู่ที่บางปีก็หนาวแต่พ่อพลังเหมือนกับว่าไม่มีอะไรร้อนเขาก็ช่ได้หนาวเขาก็ช่ได้ทําไมล่ะไปจับผิวเขาดูมันนิ่มไปจับผิวเร า, ามันก็หยาบนี่มันก็ปรับปังกันคนเกิดบางหนาวเกิดบางร้อนนะผิวก็ เขาดีอันนี้เราก็เหมากันรับสภาพชีวิตเราวางทีมันมันปรับใส่นะมันปรับใส่ความทุกข์ความแยดล่อนจิตใจเราโดยเพราะจิตใจเราเนี่ยมันจะทนทานในเวลาที่มันอ่อนแรอมันเข้มแข็งมันเททาที่มันจะวันเดงหมดอะไรตายยากมันกลับเข่นเข้มแข็งขึ้นมาได้นะ ความเชื่มแข็งการเราได้นน دة, เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้สอนตัวเรามันหลงกัวลู่ทันทีเน่ะอ่ามันเชื่มแข็งตัวนี้แล้วเชื่อมแข็งเนี่ยมันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูนะ่เน่ยเชื่อมแข็งได้ไมมแล้วมันทุกเปลี่ยนตัวทุกเป็นตัวมป็นทุกเน่ยเชื่อมแข็งขึ้นมาแล้วเชื่อมแข็งแบบไหนเหมือนเพชรตัดไป ไ, ป ไ, ปไปว้ๆเ้ย อ่อนก็เหมือนไหมแสงก็เหมือนเพชรไม่ใช่แสงกับด่างไม่ใช่อ่อนเต่เราจึงฝึกตนสอนตนให้มากๆหาเจอโอกาสมีใครมาบังคับขับใส่เราเราอยู่ของเรากันเดินทุกคนก็คิดจะช่วยกันมีความตั้งใจปัตตาดีเห็นเพื่อนเรามาเห็นญาติโยมมา เราก็ดีใจ <c oughs> เป็นความสุขเล็กเลกแต่น้อยจากที่ได้อยู่ด้วยกันความอยากลำบากความเสมอภาคอบอุ่นใจดีอันนี่ก็มีคนมามากมีมาจากกุดิลำก็หลายคนถ้าถ้าไมไป พ, พักสลาไก่หลายคนนะ ไปเร ม, มั้ยม่เจ้นี่เจ็มหมดแล้วที่ต้องอยู่นะเราอยู่จะลไก่ร้ายคนเหลือเกินอเราก็แล้วก็เราก็แค่นี้เนาะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมันสะดวกให้าตามความสะดวกได้แล้วก็แค่นี้ก็มีก็เราก็ทําได้แค่นี้บางทอช่วง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เขาก็ประมือกันด่าเวลาอาบน้ําถ้าคนมามากแนะต่ห้องน้ําไม่พอก็ร อ, อกันน่าเห็นใจนะถ้าเป็นคนเจ็ถ้าปวดักปวดเบาเนะี่ยรอไม่ได้นะ่เลา่าจะรอไม่ได้ให้คนหนุ่มก็พอไหวนะให้คนเจ อ, อยยาให้รอนะถ้าใครเห็นคนเจีจะเข้าห้องน้าขอให้หลีกทางให้ถ้ากมันจะเลือยเล่านะ ไม้หมือนคนหนุ่มนะทำไหมหลวงพอ่อทำไมหนุ่มเน่ยปวดหนักปวดเบาอยู่กรุงเทพอะ่ะมาหนักนเบาที่วัดได้เเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเรื่องราดไปเลยนะเพราะนั่นเนี่ยถ้าห้องน้าเนี่ยมีปัญหามาถ้าเห็นขเาขาใจคล้องหน้ามาเขาให้เราดีดทางให้ก่อนเอาอดไปก่อนทนได้ก่อน เราก็ว่าห้องน้ําไม่พอเวลาบน้ํำรอคอยกันอยากได้ห้องน้ามากมอกก็กอาจารย์ตุ้มอาจารย์วเทพพวกเราทุกคนนะ ก, ก็คือเป็นการบ้านของพวกเราพราะเราก็ทําได้แค่นี้สถานที่เราอยู่ในชุมชนที่ที่ที่ไม่ไม่ ไม่ช่วยอะไรได้มากเท่าดี่ควรมีแต่าอาหารส่งข้าวว่โอ้ยเหลือเผือดแล้วจะให้เขามาสร้างนอน้างนี่ไม่เคยมีมีแต่คนต่าอืงนที่เราได้ทํานอนทำนี่นมีแต่คนต่าอืงนอ่าบุรีรามบ้างโรงพยาบาลบุรีรามบ้างกรงุงเทพบ้างเชียงพรมบ้างอมาทอดกระถินทอดท่าป่าแล้วก็เจ็บหอมรอมริบมาทําปีถึงก็ได้นิดหน่หนอย เราก็ไม่ได้หาขอพระผงพระป่าอะไรหรือตามบัตภาพบางทีเราก็ต้องปรับเนื้ปรับตัวปรับกายปรับจิตใจของเราเราก็หัดตัวเราตื่นก่อนหมูถ้าจะเข้าห้องน้ำถ้าเขา้าเขาตื่นแล้วค่อยตื่นไม่ทันถ้าเราเป็นคนแจรต้องหัดตื่นก่อนเขาอาบน้ำก่อนเขาอย่า เชิงเอเงอนะเดี๋ยวถ้าเขาตื่นมาเขาไปเที่้อหน้าเต็มหมดเลยเราไม่ได้ฝายก็ลำบากดูตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยให้มันเหมาะสมกับวัยของเราหลวงพ่อนี่ประมาทมากจนเจ็บป่วยนึกว่าตัวเองไม่แฉ่ทำอะไรก็คิดจะทำทำแต่เพื่อเพื้น ไปมามันก็นลงโทษเราเจ็บป่วยซะจนเกือบจะไม่รอดนะเออต้องอยู่<ม>ก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าหายแล้วเร <laughs> าไม่มีโรค <laughs> แต่เราอย่าไปดีใจนะเราเราถูกเจ็บปวดมานานแล้วก็คอยดูแลตัวเองก้วนนอนเรียแพลตัวเองเหมือนแมวเหมือน เสือเหมือนเช้งเหมือนควงเหมือนเดียงขาเวลาขามันหักมันจะนอนเลียเลียขามันเรียว่าเลียแผลตัวเองอาศัยการเอาลื่นไปเลียแผลมันก็หายแต่เราเอาลื่นไปเลียไม่ได้ต้องอมีความเป็นอยู่ออกโยคะบ้างฝึกบริหา ร, รอะไรบ้างแมวเนี่ยแมวเนี่ยเคยเห็นแมวไหมเคยเลี้ยงแมวนะ แม่เวลามันเจ็บปวดมามันเลียมือของมันนะเลียขาหนะ้าเอาขามาเลียเล็บนนะ่ะพอมันเลียขาเนะี่ยที่เจ็บที่ปวดตังหึ่งอาจจะหายได้เช่นเราปวดฟันเนี่ยเขาก็มีมีวิธีเอามือมากดกดอง้องมือเนี่ยกดจนแน่นเข้าไปกดไปกดไปปวดฟันก็จะหายได้ลองดูนะเช่นไม้เช่นไม่ถ่ายท้องผูกนะเอามือหนึ่งมากด เอามือนอกลางเนี่ยมากดสะดือน่ะเอามือในพวกกดสองขีข้างนะบีเข้ามาหากันบีเข<บ>้ามาแล้วไปมาก็ปวดหนักเลยนะ<ม>อย่าไปต้องกินยาเลยมันสุดท้ายมันไม่มีแล้วมั้ใ น, มนแมวเนี่ยมันเลียขาหน้ามันเวลามันปวดมันเก็บมามันเลียขาถ้ามันไปกินน้ําเนี่ยถ้ามาปี น, าน้ำเน่ะแม่จะบอกว่าน้า ม, มนแมวน้ำ ม, มนแมว ถ้าแอง น, น้าเราจะไหมก่อนเขาไม่แอง น, น้นางํามันเรียกว่าโอ่งนะมันเล็กๆเท่าเนี่ยแต่น้ามาใส่ก็ไม่มีฝาอะไรแมวเวลาเพียงเ้าโกรดโดดขึ้นไปก็เดียน้าในอง่งแทบแทบแม่บอกว่าน้ามนแมวเวลากินข้าวเราตักหน้ําให้แม่กินนะแต่หน้ามาวางไว้ตรงนี้กินข้าวแมวก็อยู่กับเรา มันก็ไปเลี ย, ยกินน้ามันแบแทแม่ก็บอกว่าน้ามลแมวะคนโบราณเราเราถือกันนะ่แต่ <laughs> ว่ามหลหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพูดเท่าโบจ่จะชอบมากกันน้ามลแมวเวลาก้างติดคอเนี่ยเอาขาแมวมาเขียยเนี่ยเคยไหมต้องอยู่เคยแม่เคยพ่อเคยบอกไปเวลาก้างติดคอเอาขาแมวมาขว่วยก็มันก็หายไ ป, ไปได้มันลงไปได้นะ อ้าวมันดีปางทีนะเพรานั่นอะไรอะไรบางทีเขาเป็นชัติเดชานบางทีเขาก็มีอะไรที่มันดีดีที่เลี้ยงผ้าเนี่ยเวลามันก็ะโดดหน้าผ้าสองตกมาขาหักเนะแล้วก็นอนเลี้ยงเรืร่อยๆหายเลยถ้าเราเนี่ยขาหักได้ ย, ย่างร้านพ่อเลยฉีดเดินเรายังเดินไม่ได้เลยขาเลี้ยงผามัานไม่ฉีดนาทีมีเด้สองสามบาทกระดูกมันติดกันเลย เรายังชอบบอกน้ำมันแรงผามาเยียวยา ก, กระดูกหายากนะอันนี้พูดอัติเลกไปะนะการเยี่ยวยาตัวองเนี่ยก็จะทำเหมือนแมวเหมือนเตียนผาไม่ได้ก็ต้องอดูแลสุขภาพการอยู่การกินการออกกำลังตามสมควรไม่ อ่อนแดเกินไปทำกายทำใจอย่างนี้นะเวลานี้ก็กันดูดูฝนระมัดระวงัง อ, อย่านอนปล่ยตัวเองหนาวหาผ้าห่มบางทีแขกมาพักที่วัดเราเขาว่าผ้าหมมือเดียวไม่พอหนาวนอนมาหลับพยันตุไม่เคยห่มผ้าห่มพยจวนัน <c oughs> ่างทีก็อยาเียกว่าคนผอมคนอ้วนคนอ้วนไม่หนาวคนผอมฉันตุ่มไม่หนาวเลยแล้วพ่อห่มผ้าห่มหัวฉันตุ่มห่มชีวรเดี๋ยวหนาวไมชีน้อยหนาวไหมอยากแช่มาพักที่วัานเราเนี่ยเขาว่าพ่อหมือเดี๋ยวไม่พออยากได้สองผืนคนที่แจกพัดเป็น เจ้าอธิการคังก็มีคนวรณีเหรอืออาชิการเราสนาสนะเ้าอธิการคังผ้าห่มขุนแก่มาดูบา้างถ้าคนไหนขี้หนาวก็ให้พระหอมผืนใหญ่ถ้าไหนไม่หนาว่ะไรก็ให้พระห่มผืนเล็ก <c oughs> อ่าแบบนี้อันนี้ก็ไม่ไดกว่าเขาเช้ลา อ, ออาอยู่แล้วคนแก่ก็อยู่ใกล้ๆกับสรลาหา์ัวใจคนแดงพาแม่อยู่ไหนคนแดงอยู่ล่างไหน่ะ อยูใ่ใกหัวใจนี่ให้ความสะดวกพวกเราก็เคารพคนแจกให้ความสะดวกท่านก็จะช่วยได้ก็ช่วยถ้าใครไม่เคยแจกจะไม่ลูกน้ำใจหัวใจอของคนแจกบางทีรังเกียจคนแจกก็มีนะอย่าไปรังเกียจคนแจกให้เมตตากรุณาให้สงสารสงสารคนแจกเนี่ย ก็ถ้าไม่เพื่อนไม่ช่วยก็โอ้ยไม่รอดจริงๆนะลำบากเหมือนกันเพื่อนช่วยเยอะพวกเราก็ช่วยอ่าต้สมควรเจอเวลารับพระพร้อมกัน